วิธีติดต่อกับโอปปปาติกะโดยธรรมดาการติดต่อกับโอปปปาติกะมีอยู่3วิธีคือ 1. เชิญลงถ้วยซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าผีถ้วยแก้ว 2. การเข้าทรง 3. การเข้าสมาธิไปติดต่อสำหรับสองวิธีข้างต้นข้าพเจ้าจะยังไม่อธิบายในตอนนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายถึงวิธีเข้าสมาธิไปติดต่อก่อนเพราะสองวิธีข้างต้นนั้นเราจะศึกษาให้เข้าใจและพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคลที่สามารถเข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปาติกะได้การอธิบายหลักวิชาและข้อเท็จจริงจึงจะสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาเข้าใจถึงวิธีฝึกสมาธิเพื่อเข้าไปติดต่อกับโอปปปาติกะก่อน โดยธรรมดาผู้ที่สามารถจะติดต่อกับโอปปาติกาได้จะต้องได้ฌานและได้ทิพยจักสุคือตาทิย์และคำว่าติดต่อในที่นี้หมายความว่าสามารถมองเห็นกันได้พูดกันได้คนโดยมากในสมัยปัจจุบันมักจะเข้าใจว่าการฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ฌานและเพื่อให้ได้ทิพยจักสุอย่างที่กล่าวไวในคำภี เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะผิดวิสัยธรรมชาติแต่บางพวกก็ถือว่าเรื่องราวที่กล่าวไวในคำภีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่สำหรับคนในสมัยปัจจุบันที่จะฝึกสมาธิให้ได้ถึงขั้นฌานให้ได้ถึงขั้นที่พยะจักสุเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเคยเห็นตัวอย่างมามากแล้วคนที่ตั้งใจฝึกสมาธิอย่างจริงจังมีอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ไม่เห็นมีใครสักคนที่สำเร็จถึงแม้จะมีบางคนอวดอ้างว่าสำเร็จแต่พอเข้าใกล้ชิดจริงๆกลับปรากฏว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเป็นเรื่องที่พวกนั้นเข้าใจผิดไปเองหลงตัวเองว่าได้สำเร็จเพราะเหตุที่ตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งแม้จะมีบุคคลบางคน ได้อุทิศตัวไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นเวลานานๆและมีจริยาวัดหน้าเลื่อมใสซึ่งพร้อมที่จะทำให้คนทั้งหลายเชื่อถือได้แต่ถึงกระนั้นท่านที่อยู่ตามป่าตามเขาซึ่งในขณะนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยแต่แล้วก็ไม่เห็นมีผลงานที่สามารถจะทดสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์สรุปแล้วเรื่องในทนองอย่างนี้ความรู้สึกของคนทั่วๆวไป เขาเห็นเป็นเรื่องนิยายมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามสำหรับข้าพเจ้าออกจะมีความเห็นที่ผิดจากคนในสมัยปัจจุบันนี้มากเพราะเมื่อพิจารณาดูการกระทำตลอดถึงความเป็นอยู่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคารวาสนั้นถ้าหากข้าพเจ้าจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้คนหลายคนก็จะหัวเราะยะและถ้าหากข้าพเจ้าถึงกับยืนยันว่า สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์ได้คนส่วนมากก็มักจะเห็นว่าข้าพเจ้าหลงผิดไปแล้วและด้วยเหตุนี้เองเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตคนที่เข้ามาใกล้ชิดข้าพเจ้ามีอยู่เพียงไม่กี่คนที่เชื่อสนิทว่าข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์เรื่องโอปปปาติกาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ห่างไกลว่าเขาจะเข้าใจข้าพเจ้าไปในแง่ไหน แต่ใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าความจริงแท้ๆเป็นอย่างไรและด้วยความหวังดีที่ต้องการจะเห็นโลกนี้ดีขึ้นและด้วยความเชื่อมัน่นอย่างชนิดไม่งอนแงนคลอนแคลนว่าถ้าโลกยอมรับว่าโอปปปาติกะมีจริงคนทั้งหลายก็จะยอมรับในเรื่องกฎของกรรมของพระพุทธเจ้าครั้นแลศิลธรรมก็จะดีขึ้น ข้าพเจ้ามีอุดมการแน่วแน่เช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่หวั่นไหวต่อคำย่อเย้ยของคนทั้งหลายคงตั้งหน้าที่จะหาทางพิสูจน์และอธิบายเรื่องนี้ให้คนทั้งหลายเข้าใจและเชื่อเหมือนกับข้าพเจ้าให้จงได้